163ดวงตาทั้งคู่ของพรานใหญ่รีลงขณะที่ยื่นริมฝีปากมีอาการคล้ายจะส่งยุมพิษไปยังภาพของสาวน้อยผู้นั่งอยู่บนบันลังเพชรโดยบุคคลร่วมคณะทั้งหลายไม่ทันสังเกตเห็นน้ำเสียงที่กล่าวต่อไปหนักแน่นมั่นคงขึ้นครับและผมก็แน่ใจครับ ว่าสองพ่อลูกคู่นี้เป็นบูรพกษัตริย์ผู้ครองนครก่อนหน่ายุคสมัยของชัยสุริยาและพันธุมวดีซึ่งเป็นพ่อลูกอีกคู่หนึง่งสืบแทนต่อมาแล้วก็เชื่อตามที่ด็อร์สแตนลีย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับว่าระยะเวลาผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์จะต้องไม่ห่างไกลกันมากนะักนี่ระพินฉันรู้นะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในอะไรบางอย่าง เว้นแต่คุณจะไม่ยอมบอกเราเท่านั้นแหละคริสติน่ากล่าวมาเสียงเย็นลึกอย่างฉลาดเอียงหน้าแลมาที่เขานิ่งถูกต้องครับคริครสผมเชื่อมั่นอะไรบางอย่างครับในที่สุดตะพินก็เน้นคำออกมาอย่างเต็มเสียงอย่างอาจหารอะไรทำให้คุณเชื่ อ, อย่างนั้นมันจะต้องมีพื้นฐานที่มาแห่งความเชื่อมั่นสิ ซิกเซนไงครับประสาทส่วนที่หกของผมนะครับนี่คุณฉันรู้สึกคล้ายๆกับว่าคุณจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้มาก่อนแล้วนะเนี่ยคริสติน่าเน้นประโยคมาอย่างช้าๆและชัดในถ้อยคำตาไม่เปลี่ยนไปจากดวงหน้าของเขาซึ่งบัดนี้กำลังมองจับไปที่ภาพแกะสลักนิ่งเหมือนจะจมดิ่งลงไปสู่อดีตการ ใช่ครับแต่ไม่ใช่ในชาตินี้นิราพินเราสมมุติกันไว้แล้วว่ากษัตริย์ผู้นี้คือ x และเจ้าหญิงผู้นี้คือ y คุณพอจะแทนค่า x กับ y ให้เราได้หรื อ, อยังเบญกล่าวเสริมานี่พวกคุณอยากรู้จริงๆเหรอครับใช่สิถ้าคุณสามารถที่จะบอกเราได้ แม้จะเป็นการเดาสุ่มหรือปั้นแต่งขึ้นมาเองก็ตามสไตลียิงคำถามมาแบบขบวนการสอบสวนของพวก CIA เอาละครับผมจะแทนค่าผลลัพธ์ทางหลักวิชาพีชคณิตเลขาคณิตตรีโกณแล้วก็จากสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในจิตประสาทของผมขณะนี้นะครับ x คือพระเจ้ามาิตที่เดชะมหาราชส่วนวายคือมากราชกุมารีจิตรางคนางเทวีพระราชธิดาผู้รังบัลลังจิตรางคนางนามประหลาดที่คุณร้องตะโกนกึกก้องขึ้นเมื่อครู่นี้ก่อนที่จะเป็นลมหมดสติใช่ไหมคริสติน่าและเบรรร้องถามมาโดยเร็วผมไม่ทราบครับ ว่าก่อนจะเป็นลมหมดสติเมื่อครู่ใหญ่เนี่ยผมหลุดปากตะโกนออกไปยังไงแต่เจ้าหญิงผู้ประทับอยู่เบื้องหน้าเราเนี่นามของเธอคือจิตรางขนางผมไม่ตั้งใจจะเอ่ยนามทั้งสองให้พวกคุณได้ยินหรอกแต่ผมก็ต้องบอกออกมาเพราะถูกคาดคั้นจะแสวงหาความจริงให้ได้จากพวกคุณแต่ผมไม่รับรองและไม่มีข้ออ้างอิงอะไรมายืนยันได้ในคาพูดของผม เพราะฉะนั้นโปรดจะได้ซักไซไล่เลียงอะไรอีกล้วครับทุกคนของฝ่ายนายจ้างเงียบกริบกันไปอีกวาระหนึ่งแล้วในความเงียบสงบนั้นบรรยากาศมันวังเวงเยือกเย็นยังไงสุดที่จะบอกได้ในประสาทสัมผัสของทุกคน <ST AR> ทำไมเราไม่ลงกันไปในสุสานเสียเดี๋นี้เลยล่ะ ันแล้วในความเงียบเสียงของอเมริกันหัวหน้าคณะก็ดังขึ้นกังวานไปทั้งสถานที่ขณะนั้นพลุไฟเคมีของคีดเริ่มจะรีโรยแสงลงแล้วภาพของดารุณีน้อยผู้งามอย่างประหลาดอันสถิตอยู่บนบัลังในลักษณะของมกุูรา ช, ชกุมารีค่อยๆเลือนลางตามสภาพของแสงที่รีโรยลงรวมทั้งภาพแกะสลัก และภาพวาดลายเขียนทางด้านผนังทั้งแถบด้วยความสรวรางเป็นเงาตะคุ่มกลับคืนเข้ามาแทนที่ตามเดิมทุกคนขยับตัวถอยจากบริเวณนั้นเข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ตรงบริเวณพื้นอันบัดนี้มองเห็นชัดแล้วว่าน่าจะเคยเป็นช่องทางเดินลงไปสู่เบื้องล่างอันกว้างใหญ่แต่เมื่อการเวลาผ่านไป ปากทางลงมันก็บีบแคบตีตันโดยมีพื้นหินร่นยู่เข้ามาหากันมีเหตุผลเด่นชัดว่าเกิดจากแผ่นดินไหวและซุดลงมาบัดนี้มันได้เปิดทางเป็นช่องอันดํามืดลงไปโดยมีปากทางที่จะอาศัยลงไปได้นั้นกว้างประมาณสองเมตรและยาวเป็นทางเคี้ยวคดดูเหมือนลักษณะหินที่ปริราวประมาณหเมตร ซึ่งความจริงรอยที่ปรากฏขึ้นนี้เนื่องมาจากก้อนหินใหญ่บนเพดานด้านบนถล่มตกลงมากระแทกพื้นโดยแรงเมื่อเช้าจากอํานาจสั่นสะเทือนของระเบิดที่คิดระเบิดต้นไทรใหญ่ตามคําสั่งของระพินนั่นเองความแรงและมีน้ําหนักมากของก้อนหินที่ตกกกระแทลงมาทําให้ปากทางลงสู่สารอันมีรอยหินงอกโผล่ออกมาเชื่อมกันไว้เกือบจะสนิทแล้วนั้น แต่แยกออกจากกันทำให้เห็นร่องรอยของเส้นทางเดินลงที่เคยสร้างเอาไว้อีกครั้งทุกคนเข้ามาพิจารณาตรวจดูแล้วก็เข้าใจได้ดีถึงสภาพอันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและกาลเวลาบุญคำเกิดและเสยทิ้งกายลงนอนพังภาพกับพื้นบริเวณนั้นพากันชะโงกมองลงไปภายในโพรงเบื้องล่าง โดยอาศัยจากไฟฉายสองสัตว์ประจำตัวซึ่งมันไม่ให้ผลอะไรมากนักในบรรยากาศที่มีสภาพเหมือนถ้ำเช่นนี้มันพอจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นนายมีกระดหินถอดลงไปข้างล่างแต่ละขั้นโตเบริเร์มเลยทางข้างล่างนี่กว้างขวางมากนายขนเดินแห้ลงไปได้ทั้งขบวนแต่ปากทางที่เราเห็นอยู่เนี่ย มันแคบไไตีปิดตันบังไว้วุย้ยมันจะพาลงไปถึงนรกขุมไหนกันนี่ดูมันลึกมากมือตื้อเลยนายบุญคำเงยหน้าขึ้นรายงานด้วยเสียงดังลั่นอะพวกเรามีขี้ใต้ยางไม้กันมาด้วยไม่ใช่เลย ร, ระพินถามมาเสียงต่ำๆทั้งสามคนของฝ่ายเขางัดเอาคบเพลิงแบบชาวบ้านป่าที่ทำกันเองและมักจะมีติดย่ามหลังอยู่เสมอ ออกมาถือกำไว้ในมือแต่ละดุ่นยาวประมาณสอกเศษส่วนอวบขนาดเท่าข้อมือเด็กพวกนั้นมีกันอยู่คนละห้าหกดุน่นจอมพรานพยักหน้าดีมากดีมากเราจะใช้ใต้ของเราพวกเนี้ยนะส่งนำทางลงไปก่อนถึงแสงสว่างมันจะไม่มากนักก็ยังพอช่วยให้เห็นทางดีกว่าไฟฉายส่วนพลุไฟของพวกนายฝรั่งนะ่ ค่อยเอาไว้ใช้ย้ำจำเป็นตอนที่เราต้องการแสงสว่างมากๆแล้วกันพลางรพินก็ยกวิทยุในมือขึ้นในขณะที่ฝ่ายนายจ้างกำลังสุดกายลงนั่งและผลัดกันชะงโงกลงไปสำรวจคนละมุมสุดแต่ใครจะอยู่ใกล้ด้านไหนยกเว้นเบนคนเดียวที่หย่อนกายลงนั่งบนก้อนหินใกล้ๆปากทางจันรพินเรียกวิทยุออกไปเบา จันคงปฏิบัติตามคำสั่งที่บอกไว้โดยการเปิดเครื่องของตนเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วรีบตอบรับมาทันทีครับนายนี่ขึ้นมาข้างบนหน่อยสิคนเดียวพอนะฉันจะสั่งงานอะไรหน่อยมือซ้ายของเขารับคำมาอย่างฉับพลันชั่วไม่นาน ร่างของจันก็แล่นโผล่เข้ามายังปากทางซอกอกของภูเขารูปสิงโตหมอดซึ่งบัดนี้ทุกคนกำลังรายล้อมอยู่รอบรอยแตกแยกที่จะนำไปสู่เบื้องล่างพอจันวิ่งเลือกลักมาถึงพรานใหญ่ก็ชี้ให้ดูไปยังตำแหน่งร่องแยกเป็นโพรงนั้นนี่จันด้วย้ดีนะเดี๋ยวพวกเราทั้งหมด9้าคนเนี่ยจะลงไปยังพื้นข้างใต้ตรงรอยแยกของโพรงหินนี่แหละจันกับพวกที่อยู่ข้างบนนี่ทั้งหมด คอยระวังดูแลเฝ้าปากทางที่ฝ่ายชั้นลงไปด้วยนะเมื่อฝ่ายชั้นลงไปแล้วเราจะติดต่อกันทางวิทยุเป็นระยะระยะสิ่งที่จันร์จะต้องระวังก็คืออย่าให้มีอะไรมันมาปิดปากทางขึ้นซะกับถ้ารู้สึกว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเกิดอะไรขึ้นข้างบนก็ให้รีบรายงานลงไปทันทีทางด้านชั้นก็เหมือนกันถ้ามีอะไรผิดปกติก็จะบอกขึ้นมห้จันทร์รู้แล้วคอยฟังคําสั่งต่อว่าจะให้ทํายังไง พรานมือดีอันดับสองของเขารองจากบุญคําผู้ได้รับคําสั่งให้คอยเฝ้าดูแลต้นทางแยกเขี้ออกมาขณะที่จ้องไปยังปากโพรงเห็นเป็นรอยแตกแยกดํามืดนั้นนายมันเป็นรูน่ากลัวมากนะนายไม่มีอะไรน่ากลัวสําหรับพวกเราแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนี่แต่มันจะเป็นทางลึกลงไปสักเท่าไหร่นะนายเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เหมือนกัน มี้นทางแค่ไหนเราก็พยายามจะลงไปให้มันถึงที่สุดนั่นแหละแต่ก็จะไม่ให้นานนักนะเอาเป็นว่าคอยฟังข่าวจากวิทยุที่จะเรียกขึ้นมาแล้วกันระพินสั่งง่ายๆแต่จันเกาต้นคอกรา ก, ก, รากสุดลงไปพักผ้พา พ, พังภาพมองลงไปในโพรงข้างๆบุญคำอยู่อึดใจหนึ่งก็ยันตัวขึ้นมาสีหน้าไม่ค่อยจะสบายใจนะักยิ้มแห้งๆบอกไม่เต็มปากว่านาย ทำไมพวกนายจะต้องลงไปด้วยกระสงสัยว่ามันจะเป็นป่าช้าของไอ้พวกผีดิบนายก็ระเบิดปิดทางมันจะรู้แล้วรู้รอดไม่ดีกว่าเหรอเรามีความจําเป็นบางอย่างนะจันทที่จะต้องลงไปสํารวจข้างใต้ในี่สก่อนจันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแตนลีเอ่ยแทกขึ้นมาพร้อมทั้งตบไหล่จันทหนักหน่วงมือซ้ายของราพินหันไม่มองดูหน้าเจ้านายอีกครั้งเอ่ยขึ้นโดยน้ําเสียงสอ่อความกังวลเช่นเดิม นายเกิดนายลงไปแล้วถ้าจัน์เรียกวิทยุแล้วไม่ได้ยินน่ะเจนจันทำไงอืมเป็นคำถามที่รอบคอบแล้วก็ฉลาดดีจัน์คริสติน่ายิ้มให้แกสมุนซ้ายของพรานใหญ่เอื้อมมือมาจับแขนพรานอาวุโส ซ, ซึ่งรองลงไปกว่าตาเท้าบุญคำอีกระดับหนึ่งกล่าวต่อไปอย่างปลอบใจว่าขอบใจจันที่รู้สึกเป็นห่วงพวกเรา และทางเราก็เข้าใจความรู้สึกของจันดีที่ไม่อยากใจใพวกเราลงไปแต่ก็อย่างที่นายห้างใหญ่บอกไว้แล้วละ่ะจันไม่ต้องกลัวอะไรหรอกคนที่นําทางลงไปครั้งนี้คือพรานใหญ่ระพินเจ้านายของจันเองไม่ใช่พวกเราลงกันไปตามลําพังนี่นอกจากนั้นก็ยังมีบุญคําเกิดแล้วก็เสย อ, อีกตั้งสามคนแต่มันก็จริงตามที่จันพูดไว้เหมือนกันคือถ้าเราลงลึกไปมากๆ วิทยุอาจจะเรียกติดต่อกันไม่ได้ไม่ว่าจะเรียกขึ้นเรียกลงไปเรื่องนี้ฉันขอให้จันทาความเข้าใจเสียทีทนกับเจ้านายซะก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นายทางฝ่ายจันทําไงกล่าวจบแม่ผมทองก็พยักหน้ามาทางระพินเตือนเป็นความหมายว่าให้คขนัดแนะกับจันให้ละเอียดที่สุดในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จอมพลันเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งหยิบชายผ้าเขามาที่เคียนเอวอยู่ขึ้นมาเช็ดใบหน้าเอางี้จันทขณะที่รอเฝ้าปากทางอยู่ที่นี่นะอย่ารอคอยฟังข่าวจากวิทยุเฉยๆเอาเป็นว่าให้คอยเอาหูฟังเสียงที่จะแหววออกมาจากในโพรงนี้ด้วยฟังเสียงทุกชนิดแล้วก็วินิจฉัยเอาเองว่าเป็นเสียงอะไรเป็นต้นว่าอาจจะเป็นเสียงหินลั่น เสียงพืนข้างใต้มันถล่มยุบเสียงปืนหรือเสียงที่มันผิดปกติทุกชนิดเนี่ยถ้าจะยังติดต่อกันทางวิทยุได้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรียกแล้วเกิดไม่ได้ยินไม่มีเสียงตอบรับมาทางวิทยุแล้วก็มีเสียงผิดปกติชนิดใดขึ้นก็แปลว่าพวกเราที่ลงไปข้างล่างกำลังอยู่ในอันตรายให้จันกับพวกไต่ทางตามลงไปทันทีฉันเชื่อมือจัน ยันพยายามคิดในด้านที่จะเป็นปัญหาที่ตนเองอาจจ ะ, ะเผชิญต่อไปภายหน้าแล้วก็ตั้งคำถามมาอีกอย่างฉลาดนายแล้วนายจะลงไปนานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยระพินงเงนดูลำแสงตะวันฉายที่สองลอดกิ่งก้านสาขาแมกไม้ใหญ่อันขึ้นปกคลุมอยู่เหนือสีสษะสูงขึ้นไปแล้วก้มลงดูนาฬิกา ขณะนั้นเป็นเวลาสินาฬิกายี่สิบห้านาทีเอางี้จันย่างช้าที่สุดถ้าหนทางที่ลงไปมันลึกมากและจะต้องลงกันไปอีกไกลฉันจะลงไปในเวลาไม่เกินสามชั่วโมงหลังจากนี้แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่นานกว่านั้นแม้จะวิทยุติดต่อบอกความอะไรกันไม่ได้ฉันก็จะส่งเกิดดื้อเสย ให้ย้อนกลับมาบอกข่าวก่อนเข้าใจไหมอ่ะมีอะไรสงสัยถามมาได้อีกเลยจันกระพริบตาปริด ป, ปริดแล้วถามอ่อยๆมาอีกแล้วถ้าเปิดสามชั่วโมงก็แล้วยังวิทยุติดต่อก็ไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีไอ้พวกนี้ตัวไหนย้อนกลับขึ้นมาส่งข่าวจันล่ะจันถามพร้อมกับชี้มือไปยังเกิดเสยและบุญคํา ซึ่งกำลังนั่งราบกับพื้นเตรียมตัวกันอยู่อย่างขมักขม่นสามชั่วโมงผ่านพ้นไปไม่ได้ข่าวอะไรเลยเอาไว้ว่าจาันลงไปตามได้เลยอนุญาตให้ทำอย่างนั้นแล้วแล้วถ้าหินมันลั่นขึ้นมาหินมันถล่มปิดทางข้างล่างหรือได้ยินเสียงปืนลนะไหน ก็ลงไปตามได้ทันทีอีกเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ก่อนอื่นคอยฟังวิทยุก่อนจันจะลงไปก็ต่อเมื่อเรียกวิทยุแล้วไม่มีเสียงตอบเท่านั้นถ้ายังติดต่อทางวิทยุได้ก็ถือคาสั่งเป็นหลักเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะให้ลูกน้องมือซ้ายของเขาเข้าใจถึงวิธีการอันพึงควรปฏิบัติครั้งแรกก็นึกราคาญที่เจ้าจันมีปัญหามากมายหรือเกิด แต่มาคิดอีกทีในด้านความละเอียดทีทวนและรอบครอบของคนของเขาก็รู้สึกว่าจันตั้งคำถามต่างๆเหล่านี้มาอย่างถูกต้องแล้วไม่เซ่อโง่แล้วก็ไม่เสียแรงที่อยู่กันมานานนาทีนี้จันขอถามอีกอย่างเดียวละพรานมือซ้ายของเขากล่าวในเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบตาจับนิ่งอยู่ที่เขา พวกเจ้านายหายลงไปจันลงไปตามแล้วก็ไม่พบหรือมีอะไรที่ทำให้หมดปัญญาจะช่วยพวกนายทั้งหมดขึ้นมาได้จันจะทำยังไงดีปัญหามากจริงๆไอ้เวนจันเสียงตะบุญคำโวยวายออกมาเพราะแกก็นั่งฟังอยู่พรางจุปากจิกๆทัานนายกับพวกข่าทั้งหมดขึ้นมาจากไอ้รูนรกนี่ไม่ได้ แล้ก็รู้แน่ว่าทั้งเก้าคนที่ลงมานี่ตายกันหมดแล้วเอ็งก็พาลูกหากทั้งหมดกลับไปถึงบ้านอีเมียเมียของขาหาคนที่หนองน้ําแห้งน่ะข้า ย, ยกให้เองพวกมันทํางานเก่งๆกันทั้งนั้นแหละเอ็งไม่ต้องลําบากเลี้ยงดูอะไรมันหรอกเพียงแต่ว่าผลัดรอบคืนกันให้ยุติธรรมถูกต้องเท่านั้นมันถามซะยังกระจะแช่งอย่างนั้นเลยว่ะคําพูดของบุญคําทําให้ทุกคนหัวเราะกันขึ้นมาได้อย่างคึืคลื้น ยกเว้นจันคนเดียวซึ่งยืนหน้าเซียวทอถอนใจใหญ่อยู่แล้วก็เอ่ยออกมาอย่างจริงใจฉันจะไม่ถามอะไรเลยสักคำนะพี่คำถ้าฉันลงไปด้วยแต่นี้ฉันอยู่ข้างบนถ้าไม่บอกอะไรให้รู้กันสะ ก, ก่อนเกิดอะไรขึ้นก็ทำไม่ถูกพี่คำไม่ฉลาดกว่าฉันอยู่เฝ้าข้างบนไหมละ่ะยันจะลงไปกับพวกนายเองเรื่องอะไรข้าจะ อ, อยู่ข้างบน ถ้าจะลงไปกันนายเองอะอยู่กลางบนน่ะปลอดภัยดีแล้วแต่เท่าร้องบอกมาโไวยไวายแล้วพิงยกมือขึ้นโบเอาแล้วละไม่ต้องทะเลาะอะไรกันในเวลานี้หรอกจันถ้ามีเหตุอันเป็นไปกับฉันและพวกเราที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะทำนองไหนก็ตามจันก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีอยู่หาทางช่วยเหลือพวกเราให้ได้กันแล้วกัน แต่ถ้าสามวันผ่านไปแล้วยังช่วยไม่ได้ก็แน่ใจได้เลยว่าพวกเราทั้งหมดตายกันแล้วก็ให้ทำตามที่ตะคาบอกแล้วกันนําพวกลูกหากลับบ้านให้มันปลอดภัยที่สุดไม่จําเป็นจะต้องมาขุดหาศพพวกเราเพรามันเสียเวลาเปล่าหรอกเพราะถึงขุดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆพูดแต่เป็นเรื่องขันในประโยคตบท้ายแล้วพอกลับไปถึงหนองน้ําแห้งแล้ว ถึงบุญคําจะยกเมียทั้งห้าคนให้จันทั้งหมดจันก็ไม่จำเป็นต้องรับไว้หรอกมันแก่ๆ แ, แล้วทั้งนั้นหาสาวๆดีกว่าจันเสียงบุญคําก็จ้า ก, ก็มาอีกว่าโทนายมีไอ้คําน่ะ1ิบหกส1บเจ็ดสิบปดสบเกยี่สิบเรียงกันตามพระอันดับนายมาหาว่าแก่เสแล้วสาวของนายนอายุเท่าไหร่ เรยพูดตามปกติก็เงียบเงียบแต่ขณะนี้สอดขึ้นมาเบาๆหน้าตาเฉยว่าสาวหรือแก่นะมันไม่ได้อยู่ที่อายุนะจันนะมันอยู่ที่ความโถงเทงทอกแทกต่างหากขนาดนางหวานคนสุดทองอายุ16บหของลุงธทรรปกะโถก็โถงเทงซะแล้วลุงแกน่ะเคยใช้ของถนอมที่ไหนย หาดงนี่เดี๋ยวก็ถีบโตกรูทํามนี่ขอหกักไตหงแต่เท้าจอมสับ ป, ประดูโรงลัน่นยกเท้าถีบชึกก็ให้เสยก็วัยพอใชายระวังตัวอยู่แล้วเอี้ยวสี้างหลบแกก็เลยถีบลมเสียหลักไปเชือดวุธผู้กำลังอยู่ในอารมณ์เครียดเต็มทีบัดนี้หัวรอก้กาจนตัวงอเสียงบุญคำวุ่นวายเออะมะเทิรไปหมดแล้วก็มาสงบอาการฮึดฮัดสะบดดา ถ้าจะอาลาวาดลงได้เมื่อระพินตบแรงๆลงไปกลางกระบาลอันหยิกขอดไว้ด้วยเส้นผมสั้นๆติดหนังสีสษะของแกบรรยากาศในสถานที่นั้นกลายเป็นความคลื่นเครงขึ้นชั่วขณะหนึ่งแม้แต่คริสติน่าผู้เอางานเอาการและเคร่งขึงก็ยังกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะเบนหัวเราะซจนรู้สึกปวดบาดแผลที่สวงอกจนต้องเอามือกุมประคองไว้สเตลี คลายความตึงเครียดลงไปได้อย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึง่งจะมีก็แต่รับพินเท่านั้นที่เริ่มหงูดหงิดขึ้นมาอีกทั้งเฉีวทั้งขันนี่นี่นนี่หยุดสติไอ้พวกนี้นี่เสียงตะวาดเบาๆของเขาทําให้พวกพรานพื้นเมืองทั้งสี่สางซากระลงไปได้จากนั้นจันก็จะให้พวกลูกหาบทั้งหมดขนของขึ้นมา ระวังคุมอยู่ตรงปากทางลงนี่เลยดีไหมนายสมุนายของเขาถามเป็นงานเป็นการต่อมาอตรงลงย้ายพวกนั้นขึ้นมาข้างบนนี่จะเป็นชัยภูมิที่เหมาะที่สุดเพราะจันร์จะมาเฝ้าอยู่ตรงนี้คนเดียวมันก็ไม่เหมาะขนขึ้นไม่หมดเลยฉันสั่งความกระจ่างไปหมดแล้วหวังว่าคงไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกนะจันทไม่กล่าวอะไรอีกเดินพระออกไปยังชานหินด้านหน้า แล้วตะโกนบุกเวกสั่งการกับพวกลูกหาบซึ่งนั่งพักกันอยู่ริมป่าเถาวันเชิงตีนบันไดล่างสุดเพื่อให้ทยอยเคลื่อนย้ายมายึดที่ปักหลักใหม่เราพินหันมาทางคณะในจ้างของเขาทุกคนแล้วเริ่มเข้าสู่งานเฉพาะหน้าทันทีะคราวนี้ก็เป็นการกำหนดตัวและตาแหน่งของพวกเราทั้ง9้าคนที่จะไปสู่จุดหมายข้างล่างลนะครับ ผมจะเป็นคนแรกที่เดินนําหน้าลงไปขอกําชับก่อนนะครับว่าให้ทุกคนรับสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อกําหนดของผมอย่างเคร่งครัดอย่านอกเหนือคาสั่งเป็นอันขาดจะได้ไหมครับแน่นอนสั่งมาแล้วกันว่าคุณกําหนดตัวยังไงสตลลีรับคามาอย่างหนักแน่นทุกคนเริ่มสำรวมอีกครั้งเพื่อเข้าสู่สภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเบื้องหน้าอันสุดที่จะเดาถูก ว่ามีอะไรรอคอยอยู่เบื้องล่างซึ่งลักษณะมันดูเหมือนโพรงไปสู่นรกอันลึกลานั้นเอาเป็นว่าถ้าขนทางกว้างโล่งพอจะเดินลงไปได้แบบสบายๆเราจะเดินรวมหมู่กันไปทั้งขบวนอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าทางเข้าสู่ที่จำกัดขับขันเราก็จะเดินกันไปในลักษณะแถวเรียงเดียวโดยขอให้ทุกคนตามหลังผม ขอใจัดตำแหน่งรายบุคคลดังนี้นะครับดรสเตอรีตามหลังผมเป็นคนที่สองถัดไปนะั่นเป็นคริสติน่าตามด้วยคีตแล้วก็เชิดบุตรเบนนะขอให้เดินอยู่ตรงกลางในการดูแลใกล้ชิดของเกิดกระเซยซึ่งจะประกบหน้าหลังหรือประกบทั้งสองข้างสุดแล้วแต่หนทางส่วนบุญคํานั่นจะเป็นผู้ปิดท้ายขบวนคอยระวังหลัง ะครับผมขอให้ทุกคนทบทวนตามนี้นะครับทั้งหมดทบทวนคำสั่งของเขาโดยบอกตําแหน่งแห่งที่ของแต่ละคนตามที่เขากาหนดไว้เป็นรายตัวอย่างถูกต้องจอมพลานพยักหน้าลงดีมากครับถูกต้องละระหว่างเส้นทางเดินนี่ขอให้ทุกคนตาไวหูไวนะครับผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายอะไรในสุสานที่เรากาลังจะลงไปอยู่เดี๋ยวนี้ แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองก่อนต่อจากนั้นจึงช่วยเหลือบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเองไว้ถัดไปสําหรับเบลนะอย่าดึงดันขัดขืนถ้าหากว่าเกิดเสยหรือบุญคําจะนําไปทางด้านไหนยังไงหากสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นพลุไฟเคมีของพวกคุณยังไม่ต้องใช้นะครับเราจะใช้ใต้ จากยางไม้ของคนฝ่ายของผมสองนำทางลงไปก่อนแล้วก็อย่างที่เคยย้ำไว้เป็นประจำหากจำเป็นจะใช้อาวุธปืนขอระวังทิศทางของหัวกระสุนซึ่งอาจจะพลาดมาถูกพวกเรากันเองได้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่าเพิ่งยิงสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะดูว่ามันน่ากลัวสักขนาดไหนหากพบอย่าไปทาร้ายให้หลีกหลบหรื อ, อยืนนิ่งฟังคาสั่งจากผมซะก่อน ระหว่างทางหากใครเกิดมีปัญหาอะไรบอกให้ผมทราบทันทีอใครมีปัญหาอะไรอีกขอให้ถามเสเดี๋ยวนี้ครับทุกคนเงียบไปชั่วขณะมีแต่เสียงกระซิบพึพรรมพำเหมือนจะบ่นกับตัวเองของพันเอกแห่งย s เอสอามี่ว่าเหมือนหัวหน้าหน่วยจูโจมกำลังสรุปให้ลูกแถวฟังก่อนจะเข้าตีป้อมปืนนวโรเลยวะ่ะ ระพินก็ตอบมาด้วยเสียงเย็นกระด้างของเขาว่ามันอาจจะยิ่งกว่าเข้าตีป้อมปืนนวโรนสักร้อยเท่าก็ได้ในการลงไปสู่มหาสุสานนิทรานครแห่งนี้เอาละทุกคนพร้อมที่จะลงไปสู่ความมืดที่เราอาจจะไม่ได้กลับมาเห็นแสงตะวันแห่งนี้แล้วหรือยังแทนคำตอบสไตลีอันเป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างทุกคนชูมือขึ้นดีดนิ้วแรง พร้อมกับพยักหน้าเนิร์กลงระพินอดไม่ได้ที่จะมองไปทางอิสเบลนอย่างกังวลเลาดูเหมือนจะรอคอยมองเขาอยู่ก่อนแล้วพอสบตาแม่ผมแดงซึ่งบัตรนี้เป็นผู้ไม่สมประกอบนักก็ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ทันทีกล่าวหนักแน่นเหมือนจะรู้ใจว่าขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้อง เป็นห่วงชั้นจอมพลานไม่กล่าวอะไรอีกหันไปสั่งให้คนของเขาทั้งสามุดใต้ขึ้นในทันทีเปลวไฟลุกติดขึ้นอย่างง่ายดายพร้อมทั้งกลุ่มฟันแม่แสงของมันจะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้ไฟฉายมากนักภายในโพรงถ้ำอันมืดมิดใต้แผ่นดินนั้นก็พอดีกับที่พวกลูกหาบทั้งหลายช่วยกันทยอยแบกขี่พอสัมภาระกันขึ้นมาถึง พวกนั้นต่างวางกองสิ่งของไว้แล้วเข้ามารวมมุงดูอยู่ด้วยพรานใหญ่ใช้เชือกในล่อนประจำตัวผูกมัดติดกับเข็มขัดของเขาแล้วโยนปลายข้างหนึ่งไปให้บุญคำถือไว้ใช้สายสายไปร์ไเฟลเฉียงไหลเพื่อให้เกิดความมั่นคงที่สุดแล้วค่อยๆ ย, ย่อนตัวลงไปทางรอยแตกเป็นคนแรกพลางสั่งบุญคำเบาๆ ว, ว่านี่บุญคาคอยร่างสายเชือกไว้ก่อน แล้วก็ผ่อนโรยตัวฉันลงไประยะจากปากทางก่อนจะลงไปถึงพื้นของบันไดขั้นแรกสูงสองวากว่าๆพอเตินฉันเหยียบถึงพื้นแล้วจะบอกขึ้นมาเองแล้วบุญคำค่อยโยนปลายเชือกลงไปโอเคสิกา ร, รดนายตาเท่าดอกภาษาคล้ายๆฝรั่งที่แกเคยได้ยินจนคุ้นหูจับยึดสายเชือกไว้มั่นนำไปพันเป็นเครื่องยึดไว้กันหินใกล้ๆ อ, อย่างชนานาญ วถลำพังแกจะฉุดไว้เฉยๆกงทานน้ำหนักตัวของระพินที่โหน ล, ลงไปไม่ได้แน่สุภาพบุรุษรัยปล่อยมือทั้งสองที่เท้ายันปากทางรอยแยกอันดำมืดนั้นไว้ไม่ถึงอึดใจเขาก็เกาะสายเชือกสีรษะพลุบหายลงไปในโพรงมือทุกคนสังเกตเห็นบุญคำค่อยๆผ่อนสายเชือกที่พันหน่อหินลงไปทีละจังหวะโดยมีจันอันยืนอยู่ว่างๆ เข้ามาช่วยยึดและช่วยพรอนไว้อีกแรงหนึ่งทุกคนข้างบนที่เฝ้าจับมองอยู่เห็นสายเชือกนั้นพ่อนต่ำลงไปตามลำดับส่วนเกิดก็ใช้ปลายใต้ที่ติดไฟส่องลงไปให้เพื่อเจ้านายผู้ล่วงหน้าลงไปก่อนพอจะมองเห็นอะไรได้และชั่วไม่เกินสองอึดใจเสียงระพินก็ตะโกนบอกขึ้นมาแม้จะไม่ดังเกินไปนักก็กังวนก้องไปหมดจากโพรงข้างใต้นะ่ะ เอาละบุญคำฉันลงมาเหยียบยืนถึงพื้นแล้วย้อนปลายเชือกลงมาฉันได้แล้วขอยคนอื่นๆทยอยตามลงมาในลักษณะเดียวกันสตาลีชงโงกหน้าลงไปถามว่าสถานที่เป็นไงบ้างรพินตรงที่คุณยืนอยู่อะ เป็นช้นหินครับทำด้วยศิลาแรงลักษณะขั้นบันไดครับกว้างใหญ่พอสมควรทีเดียวมันจะนำทอดลงไปสู่เบื้องล่างที่มองไม่เห็นปลายทางผมจะยืนรออยู่ตรงนี้จนกว่าพวกเราจะลงมาได้พร้อมกันหมดแล้วมาพิจารณากันอีกทีนึง ลงมาได้เลยครับตกลงผมจะลงไปเป็นคนที่สองเดี๋ยวนี้อเมริกันอาวุโสขยับจะเอาเชือกประจำตัวออกมาทำอย่างที่ระพินทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแต่คริสตินาเนียวไลไว้พูดโดยเร็วไม่จำเป็นจะต้องเอาเชือกของเราเองให้เสียเวลาหรอกค่ะอาจารย์ พอถึงยังไงพวกของจันทก็จะต้องรอคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วด้วยฉันคิดว่าใช้เชือกของพวกลูกหาบเส้นเดียวกันอาศัยโรยตัวลงไปทีละคนทีละค น, ะคนมันจะสะดวกกว่าพอเราลงไปครบหมดทุกคนแล้วก็ให้จันท์ดึงสายเชือกกลับขึ้นมาหรือว่าจะทิ้งคาค้างไว้ก่อนก็ได้เชือกประจําตัวของพวกเราเอาไว้ใช้เวลาจาเป็นดีกว่ามิฉะนั้นก็ต้องคอยเอาเชือกของแต่ละคนออกมาใช้แล้วก็ต้องมาม้วนเก็บ เปรืองเวลาโดยใช่ที่เออจริงเธอฉลาดกว่าอิตาจอมพรานจอมบ่งคนนั้นสิคิดร้องออกมาเกิดโจรใต้ที่จุด ช, ช่วยสองทางครั้งแรกนั้นลงไปให้ระพินซึ่งเขารับไว้ได้และบัตรนี้ถือชูส่องแดงโชนวับแวมอยู่เบื้องล่างห่างลงไปไม่มากนักกำลังแหงนเงยขึ้นมายังพักพวกเบื้องล่าง สตลลีจึงหันไปร้องสั่งจันทันทีตามข้อแนะนำของแม่นักเคมีฟิสิกจันจึงใช้เชือกของฝ่ายตนกระทําอย่างที่รพินและบุญคําทำให้เห็นเป็นตัวอย่างครั้งแรกโดยมัดปลายข้างหนึ่งติดเข็มขัดสายเชือกส่วนใหญ่พันรอบหน่อหินตามหลักโกลศาสตร์อีกสองสามคนมาช่วยกันยึดสายไว้แล้วหลังจากนั้นสตลี Stanley ก็โรยตัวลงไปเป็นคนที่สอง เขารูดตัวลงไปถึงก็เงยหน้าขึ้นมาตะโกนขึ้นมาว่าคนต่อไปตามลำดับคนที่สองอันคล่องตัวที่สุดคือคริสตินาภายหลังจากพวกข้างบนสาวเชือกที่สเตลีปลดออกจากเข็มขัดขึ้นมาถัดมาเป็นคิดซึ่งออกจาทุลักทุเลเล็กน้อยเพราะน้ําหนักตัวค่อนข้างจะมากพย่อนตัวลงไปถึงก็สบมบุกขโมงฉงเฉง พระตัวเองแว่งไปกระทบแง่หินอยู่สองสามครั้งเชิดบุตรน่ไม่มีปัญหาอะไรบุตรชายท่านนายพลย่อนตัวลงไปได้ด้วยความระมัดระวงังพอถึงคราวอิสเบลซึ่งบาดเจ็บด้วยบาดแผลสดที่หน้าอกและกำลังเกาะ อ, อยู่ริมช่องทางด้านบนกระพินก็ราองสั่งขึ้นมาว่าเบลอย่าใช้กำลังแขนเหนียวสายเชือก แง่ที่เชฟว่าเย็บไว้มันอาจจะเปรเดี๋ยวเลือดออกอีกให้ทิ้งตัวลอยๆ อ, อยู่เฉยๆเพื่อแม่จะผ่อนสายเชือกย้อนตัวคุณลงมาเองหล่อนตอบรับเขาลงมาพระพินร้องสั่งการขึ้นมายังคนของเขาที่คุมสายเชือกอีกครั้งให้ปฏิบัติเมื่อร่างของเบลค่อยๆถูกย้อนต่ําลงมาอีกประมาณสองเมตรก็จะถึงพื้น ขีดซึ่งตัวสูงใหญ่กว่าทุกคนก็โอบรัดระดับกลางลำตัวของแม่เพื่อนสาวผมแดงไว้แล้วอุ้มลงมาเอาเท้าแตะพื้นเกิดเสยและบุญคำอันเป็นคนสุดท้ายของชุดเก้าคนที่จะดิงลงไปสำรวจใต้พื้นพิพภพอันเป็นแหล่งที่เชื่อกันว่ามันจะต้องเป็นมาหาสุสานแห่งราชวงศ์ไต่ตามลงมาในลักษณะคล่องแคล่วประดุดลิงพอครบจานวนคน มายืนกันอยู่บนชานพักของบันไดระพินก็ร้องสั่งขึ้นไปอีกว่าจันทิ้งสายเชือกคาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสาวขึ้นไปเรียบร้อยไหมนายเรียบร้อยทุกคนข้างบนพักไปตามสบายและอย่าลืมที่สั่ง อีกสักประเดียวเมื่อเดินลึกลงไปจะทดลองเรียกวิทยุขึ้นมาแล้วจะเรียกขึ้นมาเป็นระยะระยะถ้าสงสัยยังไงกันจะลองเรียกลงไปบ้างก็ได้เข้าใจแล้วได้ณ บ, บัดนี้ทั้งเก้าคนจากใต้สามอัน ซึ่งถือชูสูงขึ้นเหนือสีสักทําให้ทุกสายตาเริ่มจะมองเห็นบริเวณรอบด้านในละแวกใกล้เคียงตัวได้พอสมควรมันเป็นชานบันไดหินขนาดใหญ่มีความกว้างถึงสองเมตรเททอดลงไปสู่หนทางด้านล่างในมุมสามสิบองศาซึ่งแต่ละขั้นจะห่างกันประมาณขั้นละสองฟุตขั้นบันไดนั้นจะมีขนาดความยาวเท่าใดยังคานวณไม่ถูก เนื่องมาจากมีหินหักถล่มลงมากลบเส้นทางเดิมทั้งสองด้านของมันระเกะระ ก, กะไปหมดเหลือส่วนกลางไว้พอให้เดินเรียงเดี่ยวประมาณสี่คนในลักษณะหน้ากระดานได้สแตลลีทดลองใช้ไฟฉายส่องสัตว์ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไมเอี่ยมส่องลงไปเท่าแสงของลำไฟฉายขนาดแดท่อนริบรี่เป็นจุดสังเกตได้แดงๆเท่านั้นไม่อาจส่องทางไปได้ไกล ตามสภาพของภูมิประเทศในถำ้ำใต้พื้นเมืองยังให้ความสว่างได้มากกว่าเพียงแต่มันไม่สามารถจะส่องนำทางไปได้ไกลเท่านั้นนอกจากรัศมีรอบด้านใกล้ๆตัวไม่เกินสองสามว่าทุกคนของฝ่ายนายจ้างมายืนตะลึงระคนทึ่งกับสิ่งที่พบเห็นใหม่นี้และใช้สายตาพิเคราะห์อย่างเต็มที่ระพินจุดใต้ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง นอกเหนือจากสามอันที่พรานทั้งสามของเขาถืออยู่ในมือแล้วกวาดไปรอบๆ บ, บริเวณผนังบางส่วนที่ยังไม่ถล่มหรือหักพังลงมามีแกนหินที่สลักจากผนังหินนั่นเองลักษณะเหมือนกระบอกสําหรับเสียบคบเพลิงซึ่งในอดีตคงจะใช้เป็นที่ปักคบเพลิงเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองเรียงรายลงไปเป็นระยะตําแหน่งของบันไดหินแต่ละขั้นมีรอยแตกร้าว บางแห่งก็ถล่มยุบอันแสดงถึงการเวลาที่นับย้อนหลังไปไกลแสนไกลรวมทั้งภัยธรรมชาติที่มีการสันนิษฐานกันไว้แล้วว่าจะต้องเกิดจากแผ่นดินไหวในความมืดมนร่างกายของแต่ละคนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนเงาพูดมองเห็นหน้ากันไม่สู้จะถนัดนักบางขนาดแสงใต้ที่วาดเวียนอยู่ไปมากระทบกับใบหน้า ปรากฏเป็นสีแดงคล้ำเห็นแต่แววตาอันซอชัดถึงความตื่นเต้นระคนกร่งเกรงกันทุกคู่เหมือนเหมือนกับว่าทุกคนจะเหยียบย่างลงมาสู่โลกใหม่อีกโลกหนึ่งอันไม่เคยมีมนุษย์คนใดผ่านเข้ามาเลยนับเป็นเวลาอนันตการและเสียงที่กระซิบพูดจากันแม้จะเบาสักเท่าไรก็ตามดูมันจะกลายเป็นเสียงสะท้อนก้องดังล้อกันไปมา โดยระบบเสียงเอ็โคและเมื่อหยุดพูดหรือเคลื่อนไหวก็จะเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นนอกนั้นก็เป็นเสียงเปลวไฟที่ลุกฮือติด ป, ปลายใต้อันถือชูอยู่ในมือเท่านั้นอากาศภายในอันทึบและเบาบางหวงเวงแต่ออกซิเจนยังพอมีสังเกตได้จากการลุกไหม้เป็นปกติของใต้ เอาละครับขอให้ทุกคนตามผมมาได้เลยระพินเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบนั้นพร้อมกับก้าวนาลงไปอย่างชา้าช้าทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวตามแม้จะมีพลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงเพียงไรก็ตามก็อดที่จะประวันท่านพึงยังไงบอกไม่ถูก ดารินวราริปมารู้สึกกายขึ้นเมื่อลำแสงแรกของตะวันส่องผ่านเปลือกตาหล่อนแววเสียงนกชนิดหนึ่งร้องดังมาแต่ไกลดวงตายังไม่เปิดในขณะนั้นมือที่ประสานวางกันอยู่เหนือซวงอกโดยอีกข้างหนึ่งกำปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดแม็กอันเป็นอาวุธที่เหลือติดตัวเพียงกระบอกเดียวผิวเหล็กเย็นเฉียบ สำนึกบอกได้ว่าหลอนนอนอยู่ในโมโหหินที่เข้ามาอาศัยหลับนอนอยู่เมื่อคืนนี้และที่เดิมสมองเริ่มทำงานชั่ว5หวินาทีของความมึนงงที่ค่อยซางสลายไปความทรงจำกลับคืนมาพร้อมสับด้วยสติสัมปชัญญะหลอนสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ตกหล่นเลยและตลอดทั้งคืนภายหลังจากที่ไอจอมผีดิบมันไร จากไปแล้วพร้อมกับคำมั่นสัญญาและมีภาพเงาของอดีตคนใช้เก่าแก่แง่ท า, ายมาสนทนาปราัยอยู่ด้วยชั่วขณะหนึ่งหล่อนได้หลับไปอย่างสนิทที่สุดระหว่างนอนภาวนาหลับเหมือนตายโดยไม่มีอะไรแผ่วพานเข้ามาในความฝันเลยขยับแขนขาเรียบประสาทและทดสอบพบว่ามันยังเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ แต่ก็ปวดร้าวมื่ยขบไปหมดเพราะความที่เดินทางบุบันกระเซาะกระเสิงหลงป่ามาเดียวดายนี่เป็นวันที่สองแล้วสินะหล่อนคิดที่ตัวเองหลงพลัดจากคณะของพี่ชายมาอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางดารินค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นแล้วก็ต้องหลับลงอีกครั้งเพราะลําแสงแดดเช้าซึ่งลอดกิ่งไม้โปรง่ปรงๆเหนือตําแหน่งที่นอนอยู่ เป็นดวงจี้ลงมาพอดีเหมือนไฟฉายหลอนยกมือข้างหนึ่งป้องหน้าไว้พร้อมกับดึงกายขึ้นนั่งโดยเร็วมืออีกข้างหนึ่งยังคงกำปืนพร้อมอยู่เช่นนั้นเหลียวดูรอบตัวไปตามลำดับเป็นที่แน่นอนว่าหลอนยังอยู่ท่ามกลางป่าหินตำแหน่งที่มาอาศัยพักนอนนั่นเองไม่มีอะไรมาเคลื่อนย้ายให้ไปไหนระหว่างหลับ บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่หลอนได้เลือกยึดเป็นชัยภูมิอาศัยหลบพักโดยเห็นว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับทางหนีที่ไล่ามากที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วคือแวดล้อมเป็นกำแพงไว้ด้วยมูโคหินน้อยใหญ่ด้านศีรษะนั้นเป็นก้อนหินต่างกำแพงบังขนาดใหญ่ช่องทางที่จะเข้ามาถึงตัวได้เป็นแนวจำกัดและจะสามารถเข้าได้เฉพาะทางด้านปลายเท้าอย่างเดียวเท่านั้น ในเวลาอารุณแรกเริ่มสว่างมองเห็นจักแจ้งไปหมดเช่นนี้มันมีลักษณะที่สวยงามมากด้วยการประดับจากฝีมือของธรรมชาติโคถินแต่ละก้อนมีสีสันแตกต่างกันออกไปราวกะปวงแท่งอั ญ, ญมณีขนาดยักษ์ที่ใครนำมาฝังประดับไว้ระดับของมันที่งอกแซมอยู่นั้นสูงสูงต่ำๆมีรูปร่างสูงชะลูดบ้างแต่ยมนเป็นหลังเต่าบ้าง และเป็นแง่มุมหยกักแลดูเหมือนรูปสิงสาราสัตว์ต่างๆบ้างสุดแต่จะพิจารณาไปเองแลลานตาไปหมดพื้นลับบางแห่งก็ราบเรียบเกลี้ยงสะอาดบางแห่งก็เกลื่อนไปด้วยก้อนกรวดหลากสีน้อยใหญ่ราวกับใครมาโรยไว้สภาพของมันดูเหมือนสวนหย่อมที่นักตกแต่งสวนมาจงใจประดิษฐ์ต่างกันแต่ว่า มันมีอาณาบริเวณใหญ่โตมหูลานกว่าหลายพันเท่าและวิเวกวังเวงอ้างว้างเหลือประมาณมีแต่เสียงนกไพรและลมยามเช้าอ่อนรรวยเท่านั้นที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้ลอนระหนักแน่ว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่ใต้พิภพนี้เบื้องหน้าทางด้านปลายเท้าที่เคยนอนยังมีรอยเท้าของกองฟืนที่ตนเองก่อไว บัดนี้มอดดับสนิทหมดแล้วข้างกายเครือหวีกล้วยปา่าและกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำคงวางอยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรแปลกปลอมผิดแผกไปและไม่มีร่องรอยสักน้อยนิดหนึ่งว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจอมผีดิบขมังเวหรือราชปุโรหิตมันไรในอดีตการจะปรากฏกายของมันขึ้น และได้เข้ามาสนทนาพาทีเหมือนหนึ่งตัวมันเองเป็นมนุษย์ร่วมสมัยกันหลอนพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังในอดีตให้หล่อนฟังดารินยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วรินน้ำจากกระบอกใส่ฝ่ามือขึ้นลูบหน้าพยายามเรียกร้องความทรงจำถามตนเองให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนหลอนฝันเพอ้อไปเองหรือเปล่าแล้วก็สรุปต ใจได้อย่างเด็ดขาดว่าหล่อนไม่ได้ฝันไปเลยทุกถ้อยคําทุกประโยควาจาของมันไรยังก้องอยู่กลางหัวใจของหล่อนจําแม่นได้ตลอดวิเคราะห์ไม่ถูกว่ามันได้ใช้ภาษาอะไรพูดกับหล่อนแต่หล่อนก็สามารถจะเข้าใจได้แจ่มชัดทุกกระทงความจิตรางคันนา ดารินกระซิบพึมพำกับตัวเองขณะที่ลากปลายขาเข้ามาเป็นท่าชันเข่าแล้วกอดเข่าไว้ตายังมองจ้องไปตามูโคดหินด้านหน้าอัคนิรุธฉันและเขากระ น, นั้นเหรอไม่มีเสียงใดตอบคำรำพึงของหล่อนมานอกจากเสียงนกระวังไพร บินโฉบอยู่เหนือป่าหินร้องกล้องระ ง, งมทั้งใกล้และไกลโดยไม่เห็นตัวแล้วหญิงสาวผู้พลัดหลงเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่กลางไพร ล, ลึกก็ยิ้มออกมาเศร้าๆกระตนเองน้ำตาเริ่มปริ่มก็ไม่น่าสงสัยเลยนะระพิ น, พนว่าทำไมฉันกับเธอถึงต้องมาพบกวิบากกรรมอยู่ในชาตินี้อีก เรามีอดีตที่แสงจะปวดร้าวผูกพันกันมาก่อนนานแล้วแต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าเธอรักมั่นต่อฉันแล้วฉันก็แสงที่จะรักเธอนี่เราเป็นคู่กรรมกันมากี่ภพกี่ชาติแล้วนะเนี่ยสายลมเช้าโชยเย็นฉ่ำมาอีกมันหวนพาเอากลิ่นดอกไม้ลึกลับชนิดหนึ่งมาสัมผัสคานบประศาส เป็นกลิ่นหอมเย็นชื่นต่างกว่าไม้ป่าทุกชนิดที่หล่อนเคยรู้จักมาก่อนและณบัดนั้นโสตพิเศษในส่วนลึกก็คล้ายๆจะแววเสียงท่วงทํานองลีลาและคําร้องของบทเพลงหนึ่งผ่านเข้ากระทบสมองข้อความตอนหนึ่งว่า กลิ่นเจ้าล่องลมพริ้วพรมมาแห่งนี้กลิ่นเจ้ายวนยีรดีให้ปวนปัน่นกลิ่นเจ้าโดนใจโน้มในรือไทยฝันพบพชาติแต่เบื้องบันนึกได้โดยฉับพลัน กลิ่นทิพย์ผูกพันสวรรค์ดลใจดารินสะบัดหน้าแรงๆขับไล่ความมึนงงแล้วถอนใจเฮือราตรีที่ผ่านมาแล้วนั้นจำได้ว่าเงาลี้ลับอันน่าจะเกิดจากอุปทานของแง่ทรายได้ปรากฏมาให้เห็นภายหลังจากที่มันไตรได้พละไปแล้ว เจ้าอดีตคนใช้ชาวดงไม่ได้ตอบคําซักถามใดๆของหล่อนเพียงแต่บอกว่าหากหล่อนต้องการจะมองย้อนกลับไปในอดีตก็ขอให้พยายามนอนให้หลับซึ่งอาจจะช่วยให้มองเห็นเป็นแผ่นภาพได้ชัดในความฝันก็ได้แต่ปรากฏว่าหล่อนหลับไปอย่างสนิทชนิดไม่มีความฝันใดๆเกิดขึ้นเลย จะอย่างไรก็ตามโดยคำบอกเล่าของราชปุโรหิตมันไรมันก็กระจ่างชัดพอสมควรแล้วสำหรับหล่อนแม้จะเป็นแค่วาจาบอกเล่าเพราะจำได้ว่าหล่อนได้สนทนาและสอบถามข้อความไปแล้วโดยละเอียดชนชีพของหล่อนไม่น่าจะอยู่รอดมาได้จนสามารถมองเห็นอรุณรุ่งในเช้า ว, วันนี้เลยป่านชนี พี่ใหญ่พี่กลางและกลุ่มพักพวกทุกคนจะอยู่ที่ไหนทุกคนจะอยู่ในสภาพเช่นไรเจ้าดวดช้างป่าแสนรู้ของหลอนละ่ะมันทอดทิ้งหล่อนเส้นแล้วเหรอหรือว่าตัวมันเองไปประสบเหตุเพศภัยยังไงทุกสิ่งทุกอย่างสุดที่จะรู้ได้นื้ออื่นใดทั้งปวงบุรุษอันเป็นที่รักกระพิน ไพรวันคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนกลางป่าใหญ่ไพรกันดานอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลดูเหมือนจะไม่มีขอบเขตนี้ทั้งทั้งที่การสาวรอยตามของฝ่ายของหล่อนก่อนน่าจะเกิดอุปถัมภ์เหตุน้ําป่าพัดหลงกับพูดหล่อนสามารถได้เข้าเงื่อนจากหลักฐานว่าได้ติดหลังเข้ามาอย่างกระชั้นชิดใกล้เคียงเข้ามาม า, มากแนละ้ว แต่แล้วผลกรรมก็บันดาลให้ตนเองอันเป็นฝ่ายติดตามมาต้องมาประสบเคราะห์กรรมเกิดเรื่องวุ่นวายพลัดพลาดจากพี่ๆและคณะพักซ้ำเติมเขาอีกดาริมกรีดนิ้วสบัดน้ำตาที่กำลังคลอเบ้าอยู่ให้กระจายออกไปบัดนี้หล่อนพร้อมแนละ้ว พร้อมแล้วที่จ ะ, ะเผชิญกับชะตากรรมต่อไปอย่างนักสู้โดยไม่วันวานต่ออนาคตที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าซึ่งสุดที่จะเดาได้หล่อนยังไม่รู้สึกหิวเลยมันรู้สึกเต็งตื้นยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องเอาแรงไว้ก่อนอาหารที่จะประทังชีพเพิ่มพลังก็มีแต่เพียงกล้วยปลาที่แบกติดตัวมาด้วยตั้งแต่เย็นวานและน้ําในกระบอกไม้ไผ่ เท่านั้นทนกล่มกลืนเข้าไปพอให้หนักท้องพลางสมองก็เริ่มใช้ความคิดต่อไปว่าจะเริ่มต้นเคลื่อนไหวยังไงสำหรับเช้าวันนี้ลิงกินกล้วยยังมีชีวิตอยู่ในป่าได้ทำไมทำไมหล่อนจะทนอยู่ไม่ได้มันมีคุณค่าทางอาหารยิ่งกว่าใบไม้ใบหญ้ามากนัก ซ้ำยังมีน้ำสำรองอีกตั้งหนึ่งกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ๆการหลับนอนอย่างสนิทเหมือนดับสวิตเมื่อตื่นก็พอทำให้สดชื่นมีกำลังวังชาขึ้นบ้างไม่ถึงกระอ่อนเปรี้ยโรยแรงเกินไปนักขณะที่ยังนั่งทบทวนและตัดสินใจยังไงยังไม่ถูกนั้นหล่อนก็แว่วเสียงฝีเท้าหนักและแผ่วเบาของอะไรชนิดหนึ่ง เคลื่อนไหวหยีบกรวดลั่นเข้ามาใกล้อย่างเช่มช้าราชสกุลสาวพรวดขึ้นยืนทันทีปืนสั้นประจำตัวที่สอดเข้าซองไปแล้วถูกกระชากขึ้นมาถือกระชับไว้ในมืออีกครั้งซึ่งมันก็ไอแค่ปืนกระบอกประติ๋วเหลิวเกือบจะหาความหมายใดๆไม่ได้เลยสำหรับสภาพปลาเช่นที่แวดล้อมกายอยู่ในขณะนี้ มีเสียงเป่าลมจากกลายงวงฟึดออกมาเบาๆด้วนเจ้าด้วนหรือนั่นดารินร้องออกไปอย่างดีใจไม่มีเสียงร้องตอบมาแต่อย่างใดอันควรจะเป็นธรรมชาตินิสัยของเจ้าด้วนของหล่อนแต่เสียงฝีเท้าก็คงเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกในอาการเช่มช้าเช่นเดิม สัญชาตญาณเตือนให้ตรหนักถึงความผิดสังเกตในทันทีความปาดเปรี้ยวคล่องแคล่วกลับคืนมาในฉับพลันนั้นหญิงสาวหันไปรอบตัวอย่างรวดเร็วแล้วโดดข้ามโขดหินเตียเต้ยๆทั้งฝั่งขวามือของหล่อนวิ่งไปแอบหลบกำบังอยู่ในซอกระหว่างหินใหญ่มาฮือมาสองลูกโดยกะแล้วว่ากำลังช้างจะกระเยื่นไม่ได้ มือทั้งสองจับด้ามปืนพกไว้มัน่นตามองจ้องไปยังทิศทางอันเป็นที่มาของเสียงชั่วไม่ถึงอึดใจหล่อนเริ่มมองเห็นส่วนสันหลังอันสูงใหญ่ชะเง้อมโผล่พ้นแง่หินที่เป็นฉากสูงสูงต่ำต่ำบังอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณสิบวาเคลื่อนผ่านสีของมันเทาดำ เกือบจะกลืนกก้อนหินเพียงแต่อาการที่มันไหวเคลื่อนได้เท่านั้นทําให้ลอนทราบว่านั่นคือส่วนสันหลังของช้างขนาดใหญ่มากมันกําลังเคลื่อนมายังปากทางอันจะนํามาสู่ตําแหน่งที่หลอนอาศัยพักนอนอยู่เมื่อคืนและตําแหน่งที่ยึดซุ่มอยู่ในขณะ น, นี้ด้วยดวงตาที่จ้องไม่กระพริบ ดารินใบลำกล้องปืนสั้นในมือจ้องดักไว้ปากทางที่มันน่าจะต้องโพลูออกมาทางนั้นความได้เปรียบของหลอนในขณะนี้ก็คือความระเกะระกะของหมู่หินที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่สำหรับสัตว์ใหญ่ขนาดช้างและมันมีช่องทางแง่มุมอยู่มากมายที่จะทำให้หลอนอาศัยความว่องไวหลีกลบหนีได้โดยอาศัยหมู่หินเหล่านั้น เป็นที่กำบังกีดขวางไว้ก่อนและถ้าจำเป็นหล่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแรงประทะของหัวกระสุนขนาดเล็กๆระดับจุดสามห้าเจ็ดแม็กของหล่อนในระยะยิงเผาขนห่างไม่เกินสิบว่าเช่นที่มันกำลังจะโผล่ออกมาให้เห็นเช่นนี้หากกระสุนพุ่งเข้าสวนหน้าแงบริเวณเนินน้ำเต้าเหนือโคน ง, งู เจ้าดชะสารที่โผล่มานั้นมันจะมีลักษณะการอย่างไรให้ปรากฏหัวกระสุนแบบกรวยฝาชีชนิดเจาะหนังสัตว์หนาสามารถจะผ่านบริเวณจุดอ่อนที่สุดของกระโหลกเข้าไปถึงส่วนที่ตั้งของสมองได้หรือไม่หล่อนไม่มีทางเลือกอย่างอื่นสันหลังสีเทานั้นลับหายไปกับโขดหินที่สูงกว่าตัวมัน แต่เสียงเคลื่อนตัวเหยียบย่างมาอย่างเบาๆแช่มช้ายัางคงดําเนินอยู่ต่อไปหลอนฉงนนี่มันผ่านมาโดยบังเอิญโดยไม่ได้กลิ่นของหลอนหรือยังเพราะตามปกติแล้วถ้าหากจะมุ่งหมายเข้ามาทําร้ายก็ไม่น่าจะมาด้วยอาการแช่มช้านิ่มนวลเช่นนี้ วินาทีระทึกใจแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อศีรษะอันใหญ่โตของมันโผล่พ้นแนวบังออกมาและเข้าศูนย์ปืนสั้นของหลอนอย่างพอดีดาลิงเกือบจะแตะไกลลั่นกระสุนทันทีที่แลเห็นศีรษะขนาดมาฮือมานั้นได้เต็มตาแต่แล้วช่างักไว้ได้ทันคดจะสารเชือกนั้น มีงายาวแหลมงอนโคง้งงดงามเป็นสีดำสนิทขนาดของมันใหญ่กว่าเจ้าด้วนของหล่อนเล็กน้อยหล่อนเม้มริงฝีปากนะี่ข้อความตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับมันไรเมื่อราตรีผ่านมาพุดเด่นชัดในสมองทันทีนั่นคือหล่อนจะต้องไม่ทำร้าย ไม่พลาหนีช้างซึ่งมีงาสีดำซึ่งจะเป็นช้างที่ราชปุโรหิตมันไรในอดีตส่งให้มารับตัวหล่อนไปสองหูใหญ่ของมันโบกวาดอยู่ไปมาดังผึบพกดวงตาเล็กตีอันบัดนี้แลเต็มไปด้วยเลสายเพ่งมองมายังตำแหน่งที่หล่อนซุ่มตัวจ้องปืนอยู่ขณะจิก ที่มันโพรส่วนของศรีรษะออกมาให้เห็นเหมือนจะให้หลอนตั้งสติพร้อมซะก่อนแล้วอึดใจต่อมาก็ค่อยๆ ย, ยื้องย่างเท้าอันใหญ่โตก้าวข้ามแก่งแง่โคดหินนำกายเข้ามาอย่างสงบโดยไม่ทรงเสียงหรือส่ออาการดุร้ายใดๆทั้งสิน้นหินก้อนเล็กๆบางส่วน ตามเส้นทางที่มันเดินผ่านเข้ามาถูกชนกระทบบางก้อนหักระเนนไปด้วยน้ำหนักตัวมหาศาลที่เฉียดผ่านเสียดสีขณะที่หล่อนจ้องอยู่ในขณะนี้มันพลูออกมาให้เห็นเพียงตัวเดียวโดดโดดไม่มีวี่แววว่าจะมีโลงหรือบริวารอื่ น, นๆติดตามเข้ามาด้วยแต่ในละแวกที่ห่างไกลออกไปก็สุดที่จะเดาได้ เพราะมองไม่เห็นไอ้ช้างลักษณะร้ายมีงาสีดำมาเมื่องโดยเกิดขึ้นจากอาคมของจอมผีดิบมันไรชนิดนี้แหละตลอดเวลามามันคือมหาศัตรูตัวเพชชฆาตสำหรับพวกหลอนทั้งหมดชนิดที่เห็นกันที่ไหนก็ต้องซัดกันให้แหลกไปข้างหนึ่งที่นั่นเพราะมันเป็นช้างปีศาจ ช้างผีลงผู้ที่จะมาเอาชีวิตฝ่ายของหล่อนโดยเจตานาร้ายของมันไพรผู้บังคับบงการด้วยมหาเวท